อีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้ช่วยที่ดีและความกล้าหาญเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวของมหาโมคคลานะคือคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของวิสาขาอิคารมานดาในบุพารามนครสาพัถีวันอุโบสถวันหนึ่งพระาศาสดาประทับนั่งทํากลา ง, งพิสุสงเพื่อทรงแสดงโอวาทปฏิโมกแต่ทรงประทับนั่งเฉยอยู่จนล่วงปฐมยามไปแล้ว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 ได้เห็นพิสุรูปหนึ่งพูดทุศีลมีธรรมสามมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจมีการกระทาซึ่งปกปิดไว้มิใช่สมณะปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะมิใช่พรหมจรีปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมจรีเป็นคนเน่าในมิกิเลทร้ายสางได้ยากเหมือนกองหยากเยื่อนั่งอยู่ท่ามกลางพิสุสงพระมหาโมคคลานะเข้าไปพูดกับพิสุนั้นว่า ลุกขึ้นเถิดอาุโสพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นท่านแล้วแต่พิสุนั้นคงนั่งเฉยพระมหาโมคลานะพูดดังนั้นถึงสามครั้งพิสุผู้ทุศีน์ก็ยังคงนั่งเฉยทำเป็นไม่รู้ไม่เข้าใจพระมหาโมคลานะผู้เลิศทางฤทธิ์ตัดสินใจจับแขนพิสุรูปนั้นกล้าออกไปทิ้งไว้ที่ภายนอกซุ้มประตูแล้วใส่กรอนรงอุโบสถแล้วกราบทูลพระาศาสดาว่า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 พระศาสดาตรัสชี้แจงถึงเรื่องที่ไม่ทรงสวดปฏิโมก์ดังนี้แล้วตรัสถึงความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย8ประการเทียบด้วยความอัศจรรย์แห่งมหาบุรุษดังต่อปีนี้ 1. มหาบุรุษลาดลงตามลำดับลึกลงตามลำดับ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 ถึงซึ่งการนับว่ามหาสมุทรชั้นใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นวันณะทั้งหลายอาทิวันละกษัตร์เมื่อออกบวชแล้วย่อมละนามและโคตรเดิมของตนถึงซึ่งการนับว่าเป็นสมณะสักยบุตรเสมอเหมือนกันหมด 5. สายน้ำจากแหล่งต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรอยู่เสมอแต่ความพร่องหรือความเต็มย่อมไม่ปรากฏฉันใดในธรรมวิัยก็ฉันนั้น แม้จะมีภิกษุเป็นอันมากปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานท่าไปแล้วแต่ความพร่องหรือความเต็มหาปรากฏแก่นิพานท่านั้นไม่ 6. มหาสมุทรมีรถเดียวคือรถเข็มชั้นใดธรรมวินัยก็ฉันนั้นมีรถเดียวคือวิมุตติรถความหลุดพ้นจากอสวกิเลสทั้งปวงเมหาสมุติมีรัตนะเป็นอันมากชั้นใดธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น มีรัตนคือทำเป็นอันมาก 8. มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของพูดใหญ่ๆเป็นอันมากฉันใดธรรมวิไนนี้ก็ฉันนั้นเป็นที่อาศัยอยู่ของพูดใหญ่ๆเป็นอันมากเช่นพระโสดาบันเป็นต้นพิสูจน์ทั้งหลายพูดทั้งหลายได้เห็นความมหาศจรัร์แห่งมหาสมุทร8ประการนี้แล้วย่อมอภิรม์ต่อมหาสมุทรนั้นฉันใดพูดทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้น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 ดูก่อนผู้สวงสสันติวรบทตั้งแต่บัดนั้นมาพระาศาสดามิได้ทรง ร, รมอุโบสถสวดปาติโมกร่วมกับพิษุทั้งหลายอีกเลยแต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าพระปาติโมกที่พระาศาสดาทรงสวด น, นั้นหมายถึงพระโอวาทปาติโมกไม่ใช่พิขุปาติโมกโอวาทปาติโมกคือพระธรรมอันเป็นหลักสำคัญส่วนพิขุปาติโมกคือพระวินัย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 ชั้นล่างห้าร้อยห้องการก่อสร้างเสร็จในเก้าเดือนพระศาสดาสเสด็จจาริกไปในชนบทต่างๆคราวนั้นรวมเวลาเก้าเดือนแล้วเสเด็จกลับนครสาวัตถีวิสาขาทราบข่าวนั้นรีบไปเฝ้าอาราธนาให้เสเด็จประทับในวิหารที่ตนสร้างใหม่ด้วยวาจาว่าพระเจ้าข้าขอพระองค์และพิสุสงประทับในวิหารของข้าพระองค์ตลอดเวลาสเดือนเถิด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 เมื่อ น, นั้นทรัพย์ทั้งหลายก็พินาศไปแต่ผู้ใดหญิงหรือชายก็ตามฝังทรัพย์คือคุณธรรมเช่นทานศีลความสํารวมใจและการฝึกกายวาจาไว้ในตนผู้นั้นชื่อว่าฝังทรัพย์ไว้ดีแล้วอันหนึ่งซับใดอันบุคคลฝังไว้แล้วในวัตถุที่ควรบูชาในสงฆ์หรือในบุคคลในการต้อนรับแขกในมารดาบิดาหรือในพี่น้อง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 ความเป็นผู้มีผิวพรรณดีความมีเสียงไพเราะมีสันฐานดีและรูปสวยความเป็นใหญ่และมีบริวารมากเหล่านี้ล้วนได้ด้วยบุญความเป็นเจ้าปกครองประเทศความเป็นอิสระความสุขอย่างพระเจ้าจากักรพรรดิการเสวยทิพย์สมบัติในโลกทิพย์เหล่านี้ล้วนสำเร็จด้วยบุญมนุษยสมบัติก็ดีสวรรคสมบัติก็ดีนิพพานสมบัติก็ดีล้วนสาเร็จด้วยบุญทั้งสิ้น การได้มิตร ด, ดีความชำนาญในวิชาและวิมุตติสัมพิธาวิโมกสาวกบรมีความเป็นพระประเจร พ, พุทธเจ้าและพุทธภูมิเหล่านี้ล้วนสำเร็จด้วยบุญทั้งสิ้นบุญยะสัมปทาคือความร่างพร้อมด้วยบุญมีประโยชน์อนิสงฆ์มากอย่างนี้นักปราชญ์และบัณฑิต ท, ทั้งหลายจึงสรรเสริญความเป็นผู้มีบุญอันได้สังสมไว้แล้วว่าประเสริฐ